ไม่ได้ทราบเมื่อหนุ่มพระพุทธภาสิทธ์อจริตวะบ ร, รมจริยังอัทธาโยบเบเนธนังกินเนโกนจาวะชายันติขีนะมันเชวะปัลเลอจริตวะบ ร, รมจริยังอัทธาโยบเบเนธนังเซนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่ า, วาคนเขา ไมรีประพฤติพรหมจรรย์คือทำความดีไม่รีผลกวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซสบเศร้าเหมือนกเรียนแก่ซบเศร้าอยู่ในหนองน้ําที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสแล้วเขานอนทอดถอนเราลึกถึงความหลังเหมือนลูกศรตกจากแก้งแล้วไม่มีกําลังวิ่งอีกอธิบายความการทําความดีนั้นท่านวางให้ทำทุกวันและทําไปตั้งแต่วตัยตนตนไม่ต้องรอให้แก่เสก่อนแล้วจึงค่อยทํา จะเป็นการเข้าป่าโจนค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อกวานบินเสียแล้วหมายความว่าเที่ยวระหุระเหินทําความชั่วช้าสามานอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่โจนตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทําความดีน้อยไปจะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาทั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างบ่นเสีย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 หาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขามันกันหรือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สมหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานสนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตแต่าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลย เพราะพลังพาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนได้ดีกว่าการสแสวงหาทราบโดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่ัวกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในคาานี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหลงนั้นอธิบายว่าลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแหลงแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมา มันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้ไหว้ทั้งสามร่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนท้อทอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจเรื่องมีพระศ า, ศาสนาทรงแสดงเพราะทรงป ร, รารบบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากเศรษฐีในกรุงพระณสีคนหนึ่งมีทรัพย์แปดสิโกดได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตน เขาไม่ให้บุทศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะเห็นว่าทรัพ์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิตเด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลที่มีรัพแปดสิบกดเหมือนกันเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วทั้งสองช่วยกันผลานทัร้อยหก6ิ160โกดจนหมดสิน้นเศรษฐีหนุ่มติดสุราใช้ทับไปในการดื่มสุราและหาความเพลิดเพลินอื่นๆ อ, อ, อ, อ, อันเป็นอบยมุขทั้งนั้นไม่ประกอบการงาน ใ, นใดๆเลย รายได้ไม่มีมีแต่การใช้ใจ่ายให้หมดไปเพื่อนฝูงก็มีแต่นักเลงสุราปอกลอกหลอกกินในที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทานวันหนึ่งพระศาสด า, าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและพัญญาเืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากพิสุและสามเณรพระองค์ทรงทาอาการแย้มพระนนทูลถามจึงตรัสว่าอานนท์เธอจงดูบรเศรษฐีนี้ มีทรัพย์มากถึงร้อยหกสิบกดแต่พรานหมดแล้วที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้นจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ถ้าออกบวชจกได้บรรลุอรหัตผลพัญญาของเขาจากได้บรรลุอนาคามิผลถ้าทํางานในมัชิมวยัยจะได้เป็นเศรษฐีที่สองออกบวชจะได้สําเร็จอนาคามิผลพัญญาของเขาจะได้เป็นสกทาคามีถ้าทํางานในปั จ, จิมวยัย จกได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามออกบทจะได้เป็นสกทาคามีภัญญาของเขาจะได้เป็นโสดาบันแต่บัดนี้เขาได้เสื่อมหมดแล้วทั้งโพคะของเครือหัดและสามัญญผลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ไม่รีบหาทรัพย์เสียแต่วัยหนุ่มเป็นอาทิมีนัยยะดังพร น, นามาแล้วแต่ต้น